3. ปัญหาปุจฉกะ4 6่รอิบธิบาตสี่ด้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขาร สเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารติกะมาติกาปุจฉาทุกกมาติกาปุจฉาสีบ่บรรดาอิทธิบาท4อิทธิบาทเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอภพยกริทเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ หติกะมาติกาวิสัชนา 1-22 กุศลติกาทิวิสัชนา464อิทธิบาท4เป็นกุศลอย่างเดียวอิทธิบาท4ที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธด้วยอทุกขมะสุขเวทนาก็มีอิทธิบาท4เป็นเหตุให้เกิดวิบากอิทธิบาท4 กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานอิทธิบาทสีกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอิทธิบาทสที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีอิทธิบาทสที่สารคตด้วยปีติก็มี ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีอิทธิบาท4ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามอิทธิบาทสไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามอิทธิบาทสเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอิทธิบาทสเป็นของเสกบุคคลอิทธิบาทสี่เป็นอัปปมานะ อิทธิบาทสี่มีอปปมานะเป็นอารมณ์อิทธิบาทสเป็นชั้นประณีตอิทธิบาทสมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอิทธิบาทสไม่ใช่มีมักเป็นอารมณ์อิทธิบาทสมีมักเป็นเหตุอิทธิบาทสไม่ใช่มีมักเป็นอธิบดีอิทธิบาทสที่เกิดขึ้นก็มีซึ่งยังไม่เกิดขึ้นก็มี แต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนอิทธิบาทสี่ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีอิทธิบาทสี่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตตธรรมเป็นอารมณ์ i, มีอนาคตแต่ธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีอิทธิบาทสที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มี ที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีอิทธิบาท4ีมีทาภายนอกตนเป็นอารมณ์อิทธิบาท4เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกขมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโคจัตชะกบิสัชนา465วิมังสิทธิบาทเป็นเหตุอิทธิบาทสไม่เป็นเหตุ อิทธิบาตสมีเหตุอิทธิบาท4ี่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุวิมังสิทธิบาทเป็นเหตุและมีเหตุอิทธิบาทสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุวิมังสิทธิบาทเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุอิทธิบาทสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุหรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ อิทธิบาทสไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุวิมัง ado, สิติบาทกล nee ่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุสองถึง9จู ร, รันตะทุกกาทิวิสัชนาะอิทธิบาทสี่มีปัจจัยปรุงแต่งอิทธิบาทสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอิทธิบาทสเห็นไม่ได้อิทธิบาทสกระรทบไม่ได้ อิทธิบาท4 <initiation> ี่ไม่เป็นรูปอิทธิบาทสี่เป็นโลกุตระอิทธิบาทสจิตบางดวงรู้ได้อิทธิบาทสี่จิตบางดวงรู้ไม่ได้อิทธิบาทสีไม่เป็นอาสวะอิทธิบาทสี่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอิทธิบาทสวิปยุตจากอาสวะอิทธิบาทสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ athlete. อิทธิบาท4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอิทธิบาท 4. วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอิทธิบาท4ไม่เป็นสังโยชไม่เป็นคันถะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ ไม่เป็นปรามาส10มหันตระทุกกวิสัชนาะอิทิบาทสรับรู้อารมณ์ได้อิทิบาทสามไม่เป็นจิตจิตติดอิทิบาทเป็นจิตอิทิบาทสามเป็นเจตสิกจิตติดิทิบาทไม่เป็นเจตสิกอิทิบาทสามสัมปยุทธ์ด้วยจิตจิตติดิทิบาทกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยจิต หรือวิปยุตจากจิตอิทธิบาทสามพระคนกับจิตจิตติดอิธิบาทกล่าวไม่ได้ว่าพระคนกับจิตหรือไม่พระคนกับจิตอิทธิบาทสมมีจิตเป็นสมุดฐานจิตติอิธิบาทไม่มีจิตเป็นสมุดฐานอิทธิบาทสา ม, มเกิดพร้อมกับจิตจิตติดอิทธิบาทไม่เกิดพร้อมกับจิตอิทธิบาทสามเป็นไปตามจิต จิตติดที่บาทไม่เป็นไปตามจิตอิทธิบาท3าพระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานจิตติดที่บาทไม่พระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานอิทธิบาท3าพระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตจิตติดที่บาทไม่พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตอิทธิบาทส ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปาตามจิตจิตติทิบาทไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตอิทธิบาบ ท, ท, าเาาทบา3เป็นภายนอกจิตทิบาทเป็นภายในอิทิบาทสี่ไม่เป็นอุปาทายรูปอิทธิบาท4กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ1 1บเถึงสิ อุปาทานโคจจกาธิวิสัชนาะอิทิบาทีไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลสอิทิบาทีไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสอิทิบาทีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสอิทิบาทีที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีอิทิบาศี ที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีอิทธิบาทสที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีต MM ิก็มีอ <laughs> <laughs> ิทธิบาทสที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีอิทธิบาทสที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีอิทธิบาทสที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี อิทธิบาทสีไม่เป็นกามาวจรอิทธิบาทสีไม่เป็นรูปาวจรอิทธิบาทสีไม่เป็นอรูปาวจรอิทธิบาทสีไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์อิทธิบาทสีเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์อิทธิบาทสีให้ผลแน่นอนอิทธิบาทสี่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอิทธิบาทสี่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ ปัญหาปุจฉกะจบอิทธิปาทวิพังจบบริบูรณ์ 10. โพชังควิพัง 1. สุตันตภาชนีโพชงเจ็ดในที่หนึ่ง 4. ี6โพชงเจ็ดคือหนึ่งสติสัมโพชงหมายถึงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือสติ 2. ธรรมวิจยะสามโพชฌงหมายถึงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือธรรมวิจยะ 3. วิริยะสัมโพชฌงหมายถึงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือวิริยะ 4. ปีติสัมโพชฌงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือปีติ 5. ปัสสติสัมโพชฌง ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือปัจสัตทิ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือสมาธิ 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์หมายถึงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คืออุเบกขา467บรรดาโพชฌงค์เเหล่านั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาอันยิ่งเป็นผู้ระลึกได้ระลึกถึงกิจที่ทำไว้นานๆหรือวาจาที่กล่าวไว้นานๆได้นี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นฉไหนภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้นวิจัยเลือกสรร ทบทวนสอบสวนธรรมนั้นด้วยปัญญานี้เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เป็นไนความเพียรความไม่ย่อท้ออันภิจูดนั้นผู้วิจัยเลือกสรรทบทวนสอบสวนธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบแล้วนี้เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์เป็นไน ปีติที่ปราศจากอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียร น, นี้เรียกว่าปีติสัมโพชฌงปัสสัตถิโภชฌงเป็นไฉไรกายก็ดีจิตก็ดีของภิกษุผู้มีใจเอิบอิ่มย่อมสงบประงับนี้เรียกว่าปัสสัตถิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชชงเป็นไฉไรจิตของภิกษุผู้มีกายสงบ ผู้มีความสุขยอมตั้งมั่นนี้เรียกว่าสมาธิสัมโพธิชอุปเปกขาสัมโพธชนุเป็นไฉนิกจุนั้นเป็นผู้วางเฉยด้วยดีซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นนี้เรียกว่าอุปเปกขาสัมโพธิชนุโพธชนุเจ็ดในที่สองสี่โพธชนุเจคือหนึ่งสติสัมโพธิชนุ สธรรมวิจยะสัมโพชฌงสวิริย ส, รสัมโพชฌง f ปีติสัมโพชฌงห้าปัสสติสัมโพชฌง 6. สมาธิสัมโพชฌงเจอุเปกขาสัมโพชฌงสี่รบรรดาโพชฌงเจเหล่านั้นสติสัมโพชฌงเป็นชนสติในธรรม ภายในตนก็มีในธรรมภายนอกตอนก็มีสติในธรรมภายในตนก็คือสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงสติในธรรมภายนอกตอนก็คือสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นไน ความเลือกสรรธรรมในธรรมภายในตนก็มีในธรรมภายนอกตนก็มีความเลือกสรรธรรมในธรรมภายในตนก็คือธรรมวิจยสัมโพชฌงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงความเลือกสรรธรมในธรรมภายนอกตนก็คือธรรมวิจยสัมโพชฌงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพานวิริยะสำโพธชงเป็นฉไนความเพียรทางกายก็ดีทางใจก็ดีความเพียรทางกายก็คือวิริยะสำโพธชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงความเพียรทางใจก็คือวิริยะสำโพธชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน ปีติสมโพชงเป็นฉไหนปีติที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีปีติที่มีทั้งวิตกและวิจารก็คือปีติสัมโพชงยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงปีติที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็คือปีติสัมโพชงยอมเป็นไปเพื่อความรู้ย mm ิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปัสสถานิสัมโพชฌงเป็นไฉหนกายปัจสถานิก็มีจิต ป, ปัสสถานิก็มีกายปัจสถานิก็คือปัจสถานิสัมโพชฌงยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงจิตปัจสถานิก็คือปัจสถานิสัมโพชฌง ยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานสมาธิสมโพธชงเป็นไนสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารก็คือสมาธิสมโพธชงยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน ถึงสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็คือสมาธิสัมโภชฌงค์ยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตารัสรู้เพื่อนิพพานอุเบกขาสัมโพชฌงเป็นฉนัยอุเบกขาในธรรมภายในตนก็มีในธรรมภายนอกตนก็มีอุเบกขาในธรรมภายในตนก็คืออุเบกขาสัมโภชฌงค์ยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงอุเบกขาในธรรมภายนอกตนก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชฌงเจ็ในที่สา7 0สโพชฌงเจคือ 1. สติสัมโพชฌงสอ2ธรรมวิจยสัมโพชฌง สวิริยะสัมโพชฌงค์สี่ปีติสัมโพชฌงค์ห้าปัสสัทธิสัมโพชฌง 6. สมาธิสัมโพชฌงค์เจ็อุปเบกขาสัมโพชฌงค์สี่ร้บรรดาโพชฌง7 เ, เหล่านั้นสติสัมโพชฌงเป็นฉนัยภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌง์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อนไปเพื่อความปล่อยวาง 2. เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงสา 3. เจริญวิริยะสัมโพชฌง f o 4. เจริญปีติสัมโพชฌงห้ 5. เจริญปัสสติสัมโพชฌงหกเจริญสมาธิสัมโพชฌงเจ็ดเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อความปล่อยวางสุตตันตภาชนีจบ 2. อภิอธรรมภาชนีเอกโตปุจฉาวิสัชนาใน472โพชฌงเจ็ดคือ 1. สติสัมโพชฌงสองธรัมรมวิจยะสัมโพชฌงสามวิยสัมโพชฌง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 สังัด จ, จากการมบรรลุปธรรมชาญที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นโพชฌง7คือสติสัมโพชฌงอุเปขาสัมโพชฌงก็เกิดขึ 4, ้น474บรรดาโพชฌง7เหล่านั้นสติสัมโพชฌงเป็นช น, นสติความตามระลึกละสัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิทยาสัมโพชฌงค์เป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือดเฟ้นธรรมสมาธิิธรรมวิทยาสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าธรรมวิทยาสัมโพชฌงค์ วิริยะสมโพชงเป็นฉไนการปราลพความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงเป็นฉไนความอกอิ่มเอิบความปราโมดความยินดียิ่งความบันเทิงความร่าเริงความรื่นเริง ความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีปีติสมโพชชงนี้เรียกว่าปีติสมโพชชงปสัสธิสมโภชงเป็นไนความสงบความสงบประงับกิริยาที่สงบกิริยาที่สงบประงับภาวะที่สงบประงับแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน และวิญญาณขันปัสสัตธิสัมโพชฌงนี้เรียกว่าปัสสัตทิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงเป็นไนความตั้งมั่นแห่งจิตละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงอุปเปกขาสัมโพชฌงเป็นไน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 คือ1สติสัมโพชฌงค์สองธรรมวิจิตรสัมโพชฌงคสวิริยสัมโพชฌงค์สี่ปีติสัมโพชฌงค์ห้าปัสสัตธิสัมโพชฌงค์หสมาธิสัมโพชฌงค์เจ็อุเปกขาสัมโพชฌง476บรรดาโพชฌงค์เเหล่านั้นสติสัมโพชฌงเป็นเชไหนภิกษุในธรรมินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระ ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน้นสังัาจา ก, กามบรรลุปฐมาฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชฌงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌง สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสติสัมโพธชงและสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยธรรมวิจยะสัมโพธชงและสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยวิริยะสัมโพธชงและสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยปีติสัมโพธชงและสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยปัจสัตทีสัมโพธชงและ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 3. วิริยสสมโพธชง 4. ปีติสัมโพธชง 5. ปัสสัทธิสัมโพธชง 6. กสมาธิสัมโพธชง 7. อุเปกขาสัมโพธชง 478. ในสภาวธรรมเหล่านั้นโพชชงเจ็เนจไหนพิกษุในธรรมินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุใหถึงนิพพาน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 พระได้รมได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพชชงเจคือสติสัมโพชงเป็นต้นละอุปเปขาสัมโพชงก็เกิดขึ้น479บรรดาพภชงเจเหล่านั้นสติสัมโพชงเป็นฉไนะสติความตามระลึก สัมมาสติสติสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นฉไหนอุเบกขาความวางเฉยความเพ่งเฉยความวางจิตเป็นกลางอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์สภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่าโพชฌงค์เจสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยโพชฌงค์เจ็ดส พ่องเจ็คือ1สติสัมโพชงสองธรรมวิจยาสัมโพชงสามวิริยะสัมโพชงสี่ปีติสัมโพชงห้าปัสสัตถิสัมโพชงหกสมาธิสัมโพชงเจ็ดอุเบกขาสัมโพชงสี481บรรดาพ่อชงเจ็เหล่านั้นสติสัมโพชง์เป็นฉนัยภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุ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 เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชฌงอันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมรคนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสติสัมโพชฌง สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยธรรมวิจจะยะสัมโพธชงสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยวิริยะสัมโพธชงสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยปีติสัมโพธชงสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยปัสสัตทิสัมโพธชงสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสมาธิสัมโพธชง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 พิกสูสงัดจากกรรมบรรลุปธรรมฌานที่เป็นสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทําได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระขุศล น, นั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นอุเบกขาความวางเฉยความเพ่งเฉยความวางจิตเป็นกลางอุเปขาสามโพชง นี้เรียกว่าอุเปกขาสัมโพชฌงสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมประยุทธ์ด้วยอุเปกขาสัมโพชฌงอภิธรรมาภาชนีจบ